เรียนสูงๆเรียว่าอยากจะได้เป็นหมอเป็นวิศวกรอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นจอมพลนายพลตําแหน่งสูงๆต่างๆอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเราจาเป็นที่จะต้องมี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 เราก็จำเป็นที่จะต้องมีอิทธิบาสีมีความยินดีต่อการต่อการงานที่เราต้องทำมีความอุตสาหะภาคเพียรพยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จดุล่วงไปมีจิตใจที่จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับงานที่ต้องทำและ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 พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารมกเดท่านเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับธรรมแล้วท่านเห็นคุณค่าของธรรมว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรท่านรู้ว่ารถแห่งธรรมในชนะรถทั้งปวงท่านรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีที่จะให้ความสุขเท่ากับ ความสุขที่จะได้รับจากธรรมคือการทำใจให้สงบนัติสันติพลังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกทน์เทนั้นบุคคลเอื่นนี้จะไม่รู้เรื่องของธรรม จะไม่รู้เรื่องของรถแห่งธรรมว่าชนะรถทั้งปวงจะไม่รู้ว่าอความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้ก็เกิดจากของการเกิดจากการศึกษาและเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็คือความสงบของใจที่เป็นความสุข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 เช่นพระสูตรสำคัญต่างๆเช่นธรรมจักกับวัตนสูตรสติปัฏฐานสูตรอนัตตลักณะสูตรมงคลละสูตรเป็นตน้นถ้าเราได้ศึกษาได้อ่านพระสูตรเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาเพราะเรา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 และหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรายังมีความอยากต่างๆอยู่ในใจเช่นยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกายังอยากมีลาบยศสรรเสริญเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่พอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องมาทุกขกับความแก่ทุกขกับความเจ็บทุกขกับความตายใหม่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 ตามบุญตามบาปที่เราได้ทําไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราจะได้รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติ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 นี่ก็จะทำให้เราเกิดความยินดีขึ้นมาแต่เป็นความยินดีที่ยังไม่มีน้ำหนักเท่ากับความยินดีที่เกิดจากการที่เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็จะทำให้เราเกิดยินดีที่เราอยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมเราก็จะไปปฏิบัติธรรมกัน นะพอเราปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับธรรมครั้งแรกได้สัมผัสกับความสงบครั้งแรกเพียงครั้งเดียวแม้แต่ชั่วขณะเดียวชั่วแบบงูแลบลิ้นก็ตามจิตที่สงบชั่วขณะแบบงูแลบลิ้นเนี่ยจะทําให้เราได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงจะได้สัมผัสกับความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงออพอเราได้สัมผัสแล้วทีนี้อิธิบาสีก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราดังนั้นถ้าเรายังไม่มีอิธิบาสีต่อธรรมยังไม่มีความยินดีที่จะศึกษาไม่รู้ว่าธรรมะมีคุณมีประโยชน์อย่างไรมาวัดทาไมมาฟังเทศมาฟังธรรมทาไมเราก็ต้อง บังคับตัวเราให้เข้ามาหาเข้ามาดูโฆษณาของธรรมว่าธรรมนี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไร<ม>กับชีวิตจิตใจของเราให้เราหมั่นฟังหมั่นฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงถ้าไปฟังเทศของผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงฟังแล้วบางทีไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความยินดี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 ก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงคือนิพพานนี้ก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีตัวที่จะไปผลักดันให้จิตไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนั่นเองก็คือ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาทั้งสามปราศจากกามตัณหาปราศจากภาวะตัณหาปราศจากวิภวตัณหานี่แหละ ค, คือทำที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันและผู้ที่มีความยินดี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 เพราถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเราจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกแล้วผลก็จะไม่ปรากฏพอผลไม่ปรากฏก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความท้อท้อถอยก็จะไม่อยากจะปฏิบัติต่ตอไปก็จะล้มเลิกได้แต่ถ้าเราได้ศึกษา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 มาสวมใส่มาตบมาแต่งร่างกายให้ดูสวยงามเหรอเือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้ร่างกายไม่สวยพอเกิดสิวเกิดฟ้าขึ้นมาก็ต้องไปหายาหาเครื่องสำางมาคอยกําจัดมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้เงินเพื่อไปสนับสนุนกามตันหาภาวะทันหาและวิภาวะทานหานั่นเอง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 ซื้ออาหารมาให้กับใจเวลาทำบุญทำทานแล้วใจจะรู้สึกอิ่มมีความสุขมีความพอจะทำให้หนั ง, งับความอยากคือกามตาณาภาวะตาณาวิภวะตาณาได้จะไม่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวไปซื้อรูปเสียงเขียนรถต่างๆหรือไปซื้อเครื่องสําอางซื้ออะไรมาเสริมความงามหรือซื้ออะไรมากําจัด ความไม่งามของร่างกายก็จะทําให้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของการเสริมความงามของร่างกายหาความสุขทางร่างกายใจก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองต่อไปอถ้าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากก็จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากมันไม่ได้หมด พอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีกพอไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกก็จะทำให้ต้องไปหาเงินมาอยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อต้องไปหาเงินเพื่อมาใช้เงินก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงกว่าต่อไปได้คือไปรักษาศีลไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราทำบุญทำทานอยู่เรื่อย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 พรามันจะทําให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ใช้ไปตามความอยากเราเก็บสำรองไว้หรือถ้ามีมากเกินไปเราเอาไปทําบุญมันก็จะทําให้ใจเราอิ่มใจเราไม่หิวกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีความอยากที่จะไปเสริมความงามต่างๆหรือไปกาจัดสิวฝ้ากาจัดความส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย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 เพื่อจะได้สร้างความสุขของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองความสุขที่ได้จากการทำทานนี้มันยังมีไม่มากพอมันมีพอที่จะทำให้เราไม่วุ่นวายไปกับการอไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องไปเที่ยวไปชอปปิง้งไปซื้อของสวยๆงามๆอะไรต่างๆมาเสริมความงามให้กับร่างกายของเรา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 ใจก็จะเบาจะเย็นจะสุขจะสบายใจที่ร้อนนี้เกิดจากความอยากใจที่วุ่นวายใจที่กวนกังวายกังสาวกัสายนี้เกิดจากความอยากลองสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรนี่ใจเราจะกะวลกวายกสัสาวกัสายน่หงุดหงิดนำขาดใจคนอยากจะสูบบุหรี่เวลาไม่ได้สูในี่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี คนอยากจะดื่มสุราเวลาไม่ได้ดืม่มอารมณ์หดเหยียดอคนอยากจะไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวอารมณ์หดเหยียดอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็หดเหยียดเด็กๆขอพ่ออยากจะได้ของพอไม่ให้ก็งอแงอารมณ์หดเหยียดไม่ไม่สุขพอได้ของแล้วก็จะสุขแต่จะสุขเดี๋ยวเดียวสุขหน้าเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะได้ของใหม่อีกแล้วอ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 ถ้าเราอยากจะให้จิตเรากลับไปสงบเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นทันทีเปลี่ยนความคิดเสียใหม่คิดจะไปกินกาแฟก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าให้มันคิดถึงการเดิมกาแฟมันก็ไม่เดิมมันก็จะไม่งดเหยุดนะให้คิดไปทางปัญญาว่าถ้าไปเดิมกาแฟแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดิมไปเรื่อ ย, เ, อยเพราะว่ามันจะให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็จะกลับมา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 แล้วก็ต้องทุกข์เพราะว่าความอยากมันจะกลับมาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถทำตามความอยากได้มันก็จะทำให้เราทุกข์เแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังถ้าเราคุมมันได้มันอยากเราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติมีปรรัญญาเราหยุดมันให้มันนิ่งให้ใจหยุดคิดอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากแล้วความอยากนัน้นก็จะหยุดไป แล้วต่อไปมันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับเราได้ใจของเราก็จะมีแต่ความว่างความเย็นความสบายไปตลอดอารมณ์วุ่นวายต่างๆอารมณ์เศร้าหมองต่างๆอารมณ์งดี ต, ต่างๆอารมณ์ําคาญต่างๆมันจะไม่มีอยู่ในใจต่อไปใจจะเย็นใจจะสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด แล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเราได้กำจัดความอยากต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาอย่างถาวรถ้ากำจัดด้วยสตินี่จะกำจัดได้ชั่วคราวพอสติอ่อนลงความอยากก็ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ากำจัดด้วยปัญญาคือเห็นโทษของความอยากปัญญาก็คือการเห็นโทษของความอยาก เห็นว่าการไปทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์เพราะมันจะสุขตอนต้นแล้วสิ่งที่เราได้ที่ทำให้เราสุขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะอยากหาใหม่แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าหาได้ก็สุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกคือมองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าการทาตามความอยากนี้มันจะนาไปสู่ความทุกข์ ความสุขนั้นเป็นความสุขปอมเป็นความสุขเดียวเยวเท่านั้นเองนี่คือปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ไปหาราบยศสรรเสริญไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปความสุขอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้น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 นสองก็อยากจะได้ว่าได้เป็นนายร้อยแล้วก็จะจะเป็นนายพันอยากนายพันก็อยากจะเป็นนายหมื่นนายพลไม่มีวันสิ้นสุดพอไม่ได้เป็นก็จะทุกข์ขึ้นมาพอได้เป็นแล้วถูกปลดก็ทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนี่มันคืออนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปเวลาตายไปสิ่งต่างๆที่หามาได้ถ้าเป็นถ้าตายก็หมดไป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 การทำตามความอยากนี้เป็นการไปพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะฝืนความอยากการจะฝืนได้เราก็ต้องมีสมาธิมีสติเท่านั้นถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันฝืนไม่ไหวสู้ไม่ไหวงั้นเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะสามารถใช้ปัญญามาสู้กับความอยากได้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 ผลประโยชน์ของการทำแล้วมันก็จะทําให้เราหายท้อแท้หายเบื่อหน่ายจะทําให้เราเกิดฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสากลับขึ้นมาใหม่ ท, ทันทีอันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเวลาเราท้อแท้เบื่อหน่ายเราต้องเข้าหาธรรมต้องฟังเทศน์ฟังธรรมต้องฟังจากธรรมของผู้รู้ผู้ที่บรรู้ธรรมแล้วเท่านั้นถ้าไปฟังจากผู้ที่ไม่รู้ไม่บรรู้ธรรมนี้ท่านจะไม่สามารถปลุกอิทธิบาสีขึ้นมาในใจของเราได้ อย่างนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมต้องฟังจากพระอริยะจากพระพุทธเจ้าต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนื้อฟังธรรมของพระอริยเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดอทธิบาทสส่ขึ้นมาแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติต่อไปได้ไม่ล้มเหลวไม่ล่มเลิกและเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดอย่างแน่นอน จึงขอให้ท่านเพียรพยายามสร้างอิทธิบาสสี่นี้ขึ้นมาในใจให้ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบททัติธรรมด้วยการบรรลุธรรมแล้วรับรองได้ว่าอิทธิบาสสี่นี้จะปรากฏขึ้นมาแล้วจะขับเคลื่อนจิตใจให้ได้รับธรรมอันสูงสุดได้ในลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากขาันเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัรปติอิชิตังปัธิตังตุมหังคิ ป, ปาเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาหะโสยะถาเมนิจโรติ ราสโยาตาสปิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุทาปัจจายิโนจตารโรธรามวะทานติอายุวนโนสุขัง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 ถ้าไม่อยากขึ้นมาถามเองก็ส่งข้อความขึ้นมาเขียนข้อความฝากขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนอ่านให้วันนี้ทางเฟซบุ๊กยูทูบเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสี่ค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสิบเจ็ดและวิทยุสี่ค่ะอันนี้รู้สึก YouTube จะยืนพื้นนะร้อยกว่า Facebook นี้ก็แล้วแต่วันสาวันอาทิตย์ก็ลดลง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 มันก็เป็นความสงบนะความสงบของจิตถ้าใจเฉยก็เรียกว่าใจสงบใจก็สงบได้สองวิธีสงบด้วยสติคือพุโทโธพุธโทโธหรือลมหายใจเข้าออกไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็สงบหรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาตายลักไปพิจนารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรอย่างนี้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 แล้วถ้าเราออกบวชแล้วทิ้งแฟนเราไว้ทางโลกจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ถ้าทำได้ถ้าคุยกันได้ก่อนก็ดีหรือหรือเตรียมเตรียมอะไรไว้ให้กับเขาก่อนเพื่อให้เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไปเช่นทิ้งสมบัติของเราไอถ้ามีสักร้อยล้านทิ้งให้เขาไปเขาไม่เสียใจหรอกเขาดีใจสิแต่ถ้าไปแล้วทิ้งหนี้ให้เขานี่มันไม่ดีเดี๋ยวเขาต้องไปใช้หนี้ ไปแบกภาระนี่หรือว่าเขาเลี้ยงดูตัวเขาเองไม่ได้แล้วเราทิ้งเข้าไปเขาก็จะลำบากได้ดังนั้นถ้าเราจะทำอะไรต้องคิดถึงผลกระทบกับคนที่เรา ท, ท, ที่ที่จะส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยถ้ายังส่งทำให้เขานำบากเดือดร้อนเราก็อาจจะต้องหาวิธีบรรเทาวิธีป้องกันหรือระ ง, งับความเดือดร้อนนั้น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 สถานที่ที่จะได้เข้าไปทำงานในที่นั้นหรือที่ตรงไหนไหนว่าที่เราเคยได้ร่วมทำบุญร่วมเคยผูกพันเคยเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนเก่ากับผู้ร่วมงานทั้งเจ้าของทั้งสถานที่ที่เคยผูกเนื่องกันมาก่อนในอดีตชาติแล้วพอถึงการถึงเวลาในปัจจุบันการเมื่อไปสมัครงานพร้อมคุณสมบัติทางการศึกษาความสามารถตรงตามที่ที่ทางานกาหนด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 ถ้าการศึกษาก็ระดับปริญญาเอกตอนนี้เราอยู่แค่ชั้นอนุบาลเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนเถินหัดพุดโทโธให้ได้ก่อนเถินให้มีพุโทโธแล้วค่อยไปว่ากันพุโทโธยังไม่มีทาใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้แล้วจะไปทำมานุสติมันจะไปเรียนระดับปริญญาเอกได้ยางไงเมื่อยังเรียนกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังหัด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 พอจะเข้าโรงเรียนก็จะขอไปเรียนระดับปริญญาเอกเลยนะีก็บอกใจเย็นๆหนูมาท่อง ก, ไกอไก่ขอไข่ ABC นับหนึ่งสองสามก่อนแล้วค่อยไป เ, เรียนอะไรต่างขั้นต่อไปอันนี้คือสติปัฏฐานสี่มันเป็นหลักสูตรของปริญญาตรีโทเอกนี่ยต้อเอาตั้งแต่ขั้นตรีไปก่อนขั้นสติสติแล้วสมาธิแล้วค่อยมาขั้นปัญญา ปัญญาก็ต้องขั้นร่างกายก่อนแล้วขั้นเวทนาแล้วก็ขั้นจิตแล้วถึงจะไปถึงขั้นทําได้คําถามจากคุณโอเคค่ะหลวงพ่อครับนั่งสมาธิในป่าคนเดียวผีจะรบกวนไหมครับอ๋อผีมันจะรบกวนมันรบกวนได้ทุกแห่งทุกคนนะมันไม่มีที่ไหนที่ผีไปไม่ได้ถ้ามันจะไปความจริงผีไม่ไม่มีผีที่มีผีที่หลอกก็คือผีในใจเราเนี้ย พออยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆไหนออกมันออกมาเยอะแยะเลยเวลาไปอยู่ศูนย์การค้านี่ไม่เห็นออกมาเลยที่ไหนคนเยอะๆนี่ผีกลัวพอยู่ที่ไหนไม่มีคนนี่อยู่คนเดียวผีออกมาเต็มไปหมดเลยคำถามจากคุณบอยคุณบอยค่ะกราบเรียนฐานพาระอาจารย์ครับผมเป็นคนโมโหร้ายเวลาผมโกรธผมจะคุมตัวไม่ได้มันทาให้ใจเป็นทุกข์ขอวิธีแก้ไขด้วยครับ ปึกสติไว้ให้มากๆมันท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็พุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธให้มันถี่ยิบไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็สงบแล้วก็หายโกรธแล้วความกลัวก็เช่นเดียวกันไปเจอผีนี่ก็รีบพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปหาผีให้อยู่กับพุทโธพุทโธ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 ถือว่าเราผิดมากไหมคะและจะแก้ไขใ ห, ให้ไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรคะมันเป็นกิเลสในความอยากพอเกิดความอยากใจก็ไม่สงบใจแทนที่จะไปปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบกลับไปทำให้ใจไม่สงบด้วยความอยากเน่เราก็ต้องบังคับใจว่าต้องอยู่ต่อไปอยู่กับเวลาอยู่กับการปฏิบัติวิธีจะบัง ค, คับใจก็ใช้สติบังคับเหมือนใช้พุโทโธพุธโทโธบังคับเหมัน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 พอคิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยากจะไปทําเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องขอลากลับไปแต่ถ้าควบคุมความคิดได้ให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะเลิมเรื่องราวต่างๆมันก็จะอยู่ได้ค่ะคําถามข้อต่อไปจากคุณลาวันค่ะเรียนท่านอาจารย์จิตผู้รู้นั้นมีระดับเหมือนกับสติไหมคะที่มีมากเกินร้อยไหมคะ อ, อจิตผู้รู้นี่ไม่มีระดับเด็ด สิ่งที่มีระดับก็คือสติปัญญาตัวรู้นี่เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวรู้นี่ถูกความหลงครอบงาอยู่จึงต้องใช้สติปัญญามาแก้ความหลงเพื่อให้จิตตัวรู้นี้จะได้ไม่หลงตามความหลงแต่สติปัญญามันก็มีหลายระดับอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี่ยระดับธรรมดาระดับอริยะระดับร่างกายระดับเวทนาระดับจิตนี่เป็นระดับสติปัญญาที่ ที่ต่างกันขึ้นไปต้องคอ่อยด้เรียนรู้เพิ่มพัฒนาขึ้นไปตามลำดับค่ะคำถามจากคุณพนีนุชค่ะเมื่อวันพรฤหัสใจบาศและกรวดน้ำเสร็จแล้วเกิดอาการเย็นฉ่ำที่กลางหน้าผากเรียกว่าอาการอะไรคะปิติ<ม>เกิดปิติสุขขึ้นมาจากผลบุญที่เราได้ทาไว้ค่ะตอนนี้คาถามหมดหมดแล้วเน ะ, ะ, ะเดี๋ยวรอให้ส่งคำถามเข้ามาก่อน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 พอตัวขึ้นก็อยากจะซื้อของสวยๆงามๆมาใส่เหมือนตอนที่เล่นกับตุ๊กตาตอนเด็กๆเกกนี่ยจะเอาของเล่นที่ใช้ปัญญาเช่นพัซเซิลของที่ครอสอะไรของพวกนี้ให้เด็กต้องใช้สติใช้ปัญญาคิดว่าจะเอาเอาไอา้ไ อ, อ้ชิ้นต่างๆเหล่ า, านี้มารวมกันให้เป็นอา่าเป็นผืนเป็นแผ่นอันเดียวกันได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าแต่ละชิ้นมันมี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 สอนเด็กให้ให้ฉลาดก็ได้สอนเด็กให้หลงก็ได้สอนเด็กให้มีความรุนแรงก็ได้มีความโหดร้ายทารุณก็ได้ยนันก็ต้องรู้จักซื้อของเล่นให้เด็กซื้อของเล่นที่ทำให้เด็กนี้่ฉลาดสอนให้เด็กเป็นคนมีความเมตตา ม, มีความเมตตากรุณาอย่างนี้ก็เราต้องพิจารณาดูค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะ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 เวลามันหนาวๆท่านก็สวมใส่นอกจากว่าเวลาที่ท่านไปสู่ที่ชุมชนท่านมักจะถอดออกเพราะว่าโดยมารยาทโดยความเหมาะสมของพระเวลาไปต่อหน้าสาธารณะก็จะไม่สวมใส่อะไรใส่แต่แค่จีวรเท่านั้นเองค่ะคำถามจากคุณอภิเชษค่ะเรียนถามฝึกสตินานแค่ไหน ถึงจุดไหนถึงจะเรียกว่าฝึกจนได้สติค่ะ <c oughs> ก็จะฝึกจะนั่งจิตนั่งสงบนะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบคะคำถามข้อต่อไปจดคุณโกพงค่ะความเหงาอยู่อยู่ในอะไรในขันห้าเจ้าคะหรือเป็นนิวรเจ้าคะเป็นความอยากเนเป็นผลที่เกิดจากความอยากเป็นอารมณ์เป็นธรร ม, รมอารมณ์เวลาอยากมีเพื่อนอยากไปหาเพื่อนแล้วไม่ได้ไปต้องอยู่คนเดียวก็เหงาเศร้าซ้อยหงอยเหงาว่าเว ใจหิวนะใจอยากไล่รูปเสียงกิน่นรสพอไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรดของคนนั้นคนนี้ก็เลยเหงาขึ้นมาจึงต้องหาของหาแก้เหงาอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็เรามีมือถือแก้เหงากันเวลาอยู่คนเดียวก็เปิดมือถือไลน์กันดูนูน่นดูนี่กันอแต่ถ้าเกิดมือถือเสียนิทีก็จะเหงาแล้วเพราะไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้ค่ะคําคถามข้อต่อไปจากคุณทวิชา ความกโกรธความให้พอใจเท่ากับเราละวางไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เราควบคุมใจเราไม่ได้นเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นเราก็โกรธเขาอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาเราต้องมาล ด, ดความอยากลงอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราจะไม่โกรธใครค่ะคาถามข้อต่อไปจากคุณถวยฟู เวลานั่งฟังเทศเห็นบางคนนั่งหลับตาภาวนาพระอาจารย์มีเทคนิคในการฟังเทศไหมครับออถ้าฟังเทศก็ต้องตั้งใจฟังไม่อย่านั่งฟังเทศแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมไปเพราะว่ามันเป็นคนมันเป็นการทํางานสองอย่างการดูลมนี้มันก็จะทําให้เราไม่ได้ฟังเทศการที่เราพุโทโธเราก็จะไม่ได้ฟังเทศเวลาฟังเทศนี้เราต้องฟังเทศเราอย่าไปดูลมอย่าไปพุโทโธ เม่เช่นนั้นเ้เราก็จะหนึ่งอาจจะหนึ่งอาจจะทำให้ใจไม่สงบเพราะมันชนกันเราก็พูดโตเสียงธรรมก็เข้ามามันก็จะลบกวนกันัาการฟังเทศน์นี่เราต้องการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินในฝั่งนี้มีอะไรเขาพูดอะไรถึงเรื่องอะไรก็ต้องมีสติฟังอยู่กับการฟังเทศน์อย่างเดียว แล้วถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาตามได้เราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะทำให้ใจเราสงบได้เหมือนกันการการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ต้องไปพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจให้มีสติกับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปก็จะได้ปัญญาถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆแทนพุโทโธแทนลมแล้วก็จะทาให้ใจสงบ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 ถือสีลข้อนี้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาสเกิดความบาดหมางใจกันเกิดความโกรธเกลียดกันนั่นเองถ้าถ้ายังเป็นสามีภรรยาอยู่เขาก็จะหวังให้เราซื่อสัตย์ต่อเราพอเขาไปยุ่งกับคนอื่นมันก็จะทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธได้แต่ถ้าเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเพียงแต่ว่าทางกฎหมายหรือทางสังคมยังบังคับให้เรา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 แล้ก็อยู่ในใจเราถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาแล้วก็แสดงว่าเราให้อภัยเขาแล้วถ้าเราไม่โกรธเกลียดเขาถ้าเราไม่เคยคิดอยากจะได้เงินเกินจากเขาแล้วก็ถือว่าเราให้อภัยเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้พอบอกเขาแล้วอาจจะทําให้เขาเสียเสียนิสัยเพรอเขารู้ว่าเร า, เาให้อภัยเขาเดี๋ยวเขาก็จะอาจจะทําซ้ําอีกก็ได้ดังนั้นเราก็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 มีความรวยมีความสวยมีอะไรแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นกันค่ะคำถามจากคุณปนัดดาค่ะทำอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นานสามชั่วโมงคะก็นั่งไปเรื่อยๆอย่าไปลุกเลยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปลุกเลยคำถามจากคุณกุ้งค่ะนั่งสมาธิแล้วเกิดนิวร์ครับเรียนพระอาจารย์ขอแนะนําด้วยครับก็ต้องแก้นิวร์นิวร์ตัวไหนเกิดก็ต้องแก้มัน ถ้ามันง่วงนอนก็ต้องแก้เช่นไปนั่งในที่ในที่น่ากลัวไปนั่งในป่าช้าถ้าไปนั่งป่าช้าไม่ได้ก็ลองงดอาหารอดอาหารดูมันก็จะไม่ง่วงนอนคำถามจากคุณสาวนีค่ะตอนนั่งสมาธิเกิดรู้สึกเบาเบานิ่งสบายนั่นคือสงบใช่ไหมคะก็มีสงบหลายระดับอาจจะยังสงบขั้นต้นอยู่ยังไม่ถึงขั้นขั้นลึกขั้นที่ทาให้เรามีเกิดมี เกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันเกิดในขั้นอิทธิบาตรสี่นี้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่เราไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนแล้วมันจะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นไปคำถามจากคุณลาวันค่ะจิตผู้รู้นั้นจะปรุงแต่งทางธรรมได้ไหมคะ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 แทนแทนที่จะมาช่วยเรากลับจะมาให้เราต้องช่วยเขาก็ได้เกิดแต่งงานแล้วเกิดเขาเป็นอามภพกรรมาพาดขึ้นมาจะทำยังไงจะทิ้งเขาก็จะหาว่าโหดร้ายทารุณ mm. ใช่ไหมยันคนเราไม่แน่หรอกเอาสิ่งที่แน่ดีกว่าหาเงินดีกว่าหรือหาธรรมะดีกว่าทำเงินนี้มันยังไม่ทรยศกับเราเพียงแต่ว่ามันอาจจะหมดได้ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันแต่ถ้าได้ทำแล้วยิ่งดีใหญ่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 เวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาเป็นอะไรไปแล้วเขาก็สอบถามเรื่องที่เขาจะพูดกับคุณแม่ยังไงดีเรื่องแต่างงานนะคะก็เนี่ยไงบอกเ่ยบอกแแต่างงานกับคนมันไม่แน่นะแม่เดี๋ยวเกิดเขาเปนา็นเรื่องครามประพฤต ข, ขึ้นมาแล้วจะทำาไงแทนที่เขาจะมาเลี้ยงหนูหนูต้องไปเลี้ยงเขาอีกคตอนคำถามหมดค่ะเหลืสี่ห้านาที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 ถ้าเราไม่ทําบาปใหม่ก็เท่ากับเราได้ล้างบาปใหม่อย่าไปทําบาปใหม่บาปเก่านี้ล้างไม่ได้บาปเก่าก็ต้องรอให้มันล้างของด้วยตัวมันเองให้มันโผลขึ้นมาให้มันส่งผลพอมันส่งผลแล้วบาปนะั้นมันก็จะหมดไปมีอีกไหมหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกัหมไม่มีก็เวลาหมดพอดีนะเดี๋ยวเริ่มร้อห้าม้ามาถามนะอ่าก็พอสมควรแก่เวลา